นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง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 ท่านจะถามอย่างนั้นบ่อยที่สุดที่อหลวงพ่อมากราบคารวะท่านนานๆได้มาแต่พอมาอยู่ด้วยท่านสองสามสี่วันสี่ห้าวันท่านจะพูดในเรื่องนี้บ่อยที่สุดได้ขึ้นไปกราบพระาธาตุบนเจดีย์หรือยังยังเจ้าข้าเอาไปไปไปขึ้นไปกราบนะอมีอะไรยังค่อยมาว่ากันนี่แหะท่านถือว่าพระาธาตุของท่านเนี่เป็น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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นท่านประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานำมาพิจารณากันคลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเป็นพระธรรมคำสอนที่เป็นอมตะให้ใครก็ว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าพวกไร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 เด็ก น, นก็งัวเงียขึ้นมาใช่ก็เห็นอาหารมันก็หม่ำาจะพอกินเสร็จแล้วก็นอนต่ออีกใช่อัตมนุษย์ตัวนั้นก็เลยทิ้งชำระทองคำทิ้งไว้ที่นั้นจากนั้นก็ ต, ต่างคนต่างไปแล้วนี่ไพอถุงเช้ามาพ่อก็เลยรีบออกไปเอาวัวล้อออกไปพอออกไปไปถึงลูกชายพวกในเมืองเท็วาเนี่ยจาน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 จากนั้นค่อยเอามือเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นให้ภาวนาเนอะให้หายใจเข้าให้กำหนดลำลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโรหายใจเข้าพุดหายใจออกโทพดโทพทโ ท, ท, โทให้อยู่ที่ปลายจมูกเหมือนก็เรายือนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นะคนเข้ามาเรารู้ว่าคนเข้า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 เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำมาประยุกต์ใช้บอกกล่าวให้แกคณะทายาติโยมผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาฟังให้ปฏิบัติน ะ, ะถ้าว่าผู้ใดมีสมาธิดีจิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สา่นแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกจิตภาวนาจะเป็นยังไงเมื่อไ่ฝึกจิตภาวนาก็ทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะและก็หลงลืมได้ไง่าย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 จิตใจไม่เคยมีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าเขาแนะนาอันไหนถ้ามีอุปสรรคมีราบเสื่อมราบเสื่อมยศมีทุกข์เข้ามาน่ใครแนะนำยังไงเอาหมดเลนี่เขาแนะนำให้กินขี้หมาก็กินเหมงั้นเถอะเพราะว่าจิตใจไม่มีหลักถ้าจิตใจมีหลักจะไมแ่แหละจิตใจจะต้องมั่นคงเชื่อมั่นในศิลในธรรมเชื่อมั่นในตนเองถ้าคนภาวนา